นิมนต์ท่านอาจารย์ปราโมทซึ่งเราก็มีล็อกในวันที่20สิงหาพอดีนะคะก็ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบุญและเป็นกุศลที่หลายหาคนได้ทำร่วมกันมานะคะเราก็เลยได้โอกาสนิมนต์ท่านอาจารย์ประโมทมานะคะก็ทางญาติธรรมของหลวงพ่อนะคะฝากให้เรียนว่าในขณะที่ขอความเมตตาทุกท่านนะคะ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 นาโม ต, าตาัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะตัสสะพุทธังสะระณังกัชฌามิ พุทธังสรนังคชามิธรรมังสารนังคชาิมังสารนงคชาิสังังสารนังคชามิสังขังสารนังคชามิดุติยามีพุทธังสรนังคชามิดุติยามีพุทธังสารนังคชาิดุติยามีธรรมังสรนังคชามิทุติยามีธรรมังสรนังคชาิดุติยามีสร em um ้างขังสารนังคชามิ ตาติยามติสังขังสระนางกัจฉามิตาติยามปพุทธังสรนางกัจฉามิตาติยมปีพุทธังสรนางกัจฉามิตาติยามปีธรรมังสรนางกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสรนางกัจฉามิตาติยามปีสังขังสรณนางคัจฉามิติสระากรมนังนิทิตังามภันเต ปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะดังสมาธียามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธียามิอตินาธานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอตินนาธานาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธียามิ กามสุนิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประดังสมาธียานิกามสุนิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประดังสมาธียานิมูสาวาดาเวรมนีสิกขาปะดังสมาธียานิมูซาวาทาเวรมณีสิกขาประดังสมาธียานิสุราเมรยามฉาปะมาดัานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธียานิ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 <c oughs> รู้สึกไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งตามสบายเลยใจลุกหลีกลุกหลีดละรู้สึกไหม <c oughs> ไม่ไม่ไ ม, ไม่ห้ามนะ ใ, ใจใจะลุกหลีอะไรก็ได้คอยรู้สึกเอา <c oughs> พวกเรา <c oughs> มีบุญศาสนาเราเป็นชาวพุทธหลวงพ่อไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังลงในบัตรประชาชนในทะเบียนบานะ้านไม่ศาสนาหีีไหม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 อมันไม่ยึดนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากจะไม่มีพอความอยากไม่มีแรงเคลืนจะไม่มีจิตใจก็เป็นอิสระคือว่าต้องสารภาพคือปกติหนูอยู่ต่างประเทศนะคะหนูงพ่อแล้วตอนหลังๆเนี่ยหนูเห็นแลนดีดแลงคลายมันมันไม่ผีพอมาอยู่เพิ่งกลับมาอยู่ที่เมืองไทยสักสองสามวันนะคะมันดีดคลายดีดคลายจนปวดหัวมากมเลยรู้เล่นๆอย่าไปบังคับมันนะอย่ารู้แบบ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 อย่างพอใจเรามีกิเลสนะเราก็ไม่อยากให้มีไปต่อสู้กับมันพยายามฝืนอย่านั้นไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็นให้รู้อย่างเดียวใช่ไหมครับรู้รูปเดียวเลยแล<ร>้วก็กระจกที่รู้ใช่ไหมครับเออนะพูดง่ายนะทํายากทํายาก<笑><笑>ยากมากนะคําว่ารู้สักว่ารู้อะไรเนี่ยยากเพราะเรารู้แล้วเราอดแทรกแสงไม่ได้เนี่ยความยากของการปฏิบัติพิพิธศรระนาะนแรกเลยเราไม่รู้เลยคือ<ฆ>เราลืมกายลืมใจ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 ออ่มันไม่ใช่เห็นทุกข์หรอกมันเพลินเลินเลยแต่ละวันมันเพลินเพลินมีความสุขแล้วเพลินเพินให้รู้ทันตรงที่ใจชอบความสุขหให้รู้ทันงลงไปในใจมันชอบแต่เรารู้ทันใจที่ชอบความสุขแล้วความชอบดับไปความสุขก็แสดงใจรักขึ้นมาอื <นะ S 1> มีก็มีไม่มีก็ไม่มีเรื่องของมันอืจะเห็นเองแล้วแล้วก็นั่งสมาธิอิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆคะนัง่งให้หลวงพ่อดูได้เลย อ๋อไม่เอาไม่เอาวันนี้เราห้ามเป็นนั่งให้ดูที่วัดเอ้าวมีใครเมื่อกี้เห็นยกมือยืนข้างหลังจำงนมรดการหลวงพ่อค่ะที่ที่หนูปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือเปลถูกต้องนะครับมาทําอะไรต่อไปไม่ต้องนะทำสม่ำเสมอทำาม่ำเสมอนะเจ้าค่ะพี่สื่ออยู่ใช้ได้เห็นไหมกิเลสอะไรผ่านมาเราก็รู้ทันดูออกไหม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 อย่างถ้าแกงมากๆหรือว่าเจ็บหนักๆแล้วยังมาถามหลวงพ่อเลยนะว่าจะทำยังไงดีมีญาติหลวงพ่อคนหนึ่งนะบอกให้ปฏิบัติกันไม่ยอมทำพอเข้าห้องไอซีอยูไปถามว่าจะภาวนายังไงไม่ทันละไม่ทันละต้องฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่อยู่เราร้งคำูพัฒนาใช่ไหี่ะโอ้ไปถามสภาพัฒ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 อ๋อทางด้วเราก่อนแนละ้วเนี่ยวัดหลวงพ่อจะอย่างเนี้ยแยกแล้วไม่หมีปล่อยอะ่ะเอาว่าไปเรื่องัฒการค่ะหลวงพ่อที่ฉันมาใหม่นะคะแล้วก็อยากปฏิบัติแล้วพยายามที่จะลองด้วยตัวเองเพราไม่มีโอกาสรู้สึกว่าย่างจังเลยเนี่ยรู้สึกไหมตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยใจมันเริ่มข้ามครวนแล้วเนี่ย <c oughs> ให้รู้ทันเราเลยนะรู้ทันตัวเอง <c oughs> เล่าก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมขํามครวนก็ส่วนหนึ่ง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 หลวงพ่อบอกว่าให้รู้ลูกเดียวรู้อย่างเดียวใช่ลองดูซิความโกรธนี้จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูแค่นี้แหล ะ, ะดูซิเธอจะโกรธดได้นานสักเท่าไหร่ดูเฉยๆนะยาอยากให้มันหายดูเฉยๆดูว่ามันจะโกรธนานสักเท่าไหร่ค่ะแล้วหลวงพ่อคะเวลาทำยังไงถึงจะไม่กลัวเวลานั่งสมาธิกลางคืนนะคะไม่ได้หรอกจิตมันจะกลัวห้ามมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลามันกลัวขึ้นมาให้รู้ทันว่ากําลังกลัวอยู่ ดูซิความกลัวเธอจะอยู่นานสักแค่ไหนดูไปเฉยๆอย่าไปไล่นั่นเห็นไหมสองคำถามนูนแต่เป็นเรื่องจะอยากแก้ทั้งนั้นเห็นไหมโกรธแล้วทำไงจะไม่โกรธกลัวแล้วทำยังไงจะไม่กลัวนี้ปััสนาจะไม่ใช่การแก้แต่นี้ปััสนาจะดูความจริงโกรธรู้ว่าโกรธกลัวรู้ว่ากลัวจะเห็นทั้งความโกรธเห็นทั้งความกลัวนั้นมันไม่เที่ยง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 ไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้ปวดนะอยากหายปวดก็ไปกินยาสิไปบล็อกไขสันหลังนี่มีหมอฝังเข็มมาเห็นแวบแบบให้เขาบล็อกให้ก็ไม่ปวดแล้วะสองข้อค้าเป็นหยกค้างเลยค่ะหนูเคยเจอด้วยตัวเองหนูนั่งรถแล้วหนูอ่านหนังสือพออ่านหนังสือจบนะคะหนูมีความสศกแล้วหนูมองไปน้องหน้าต่างรถน่ะหนูมีวควารู้สึกว่าโลกข้างนอกเป็นสีทองเออแล้วใจหนูตอนนั้นนะเอาภัยให้คนได้ทั้งโลกเลย ม, มันคืออะไระคะ โลกจิตของเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอย่างนั้นแหะวันไหนจิตเราผ่องใสโลกถ้าโลกก็ผ่องใสวันไหนจิตเราเศร้าหมองนะโลกก็เศร้าหมองวันไหนจิตเราไม่ยึดถืออะไรเลยนะั่นก็มีความสุขไปอีกอย่างจิตเป็นยังไงนะมันก็รู้อารมณ์ได้ระดับนั้นแหะจิตปรุงแต่งก็รู้อารมณ์ที่ปรุงแตง่งจิตที่พ้นความปรุงแต่งก็รู้สิ่งซึ่งไม่ปรุงแตง่งเพราะฉะนั้นจิตจิตเรามีความสุขเนั้นโลกก็ดูมีความสุข จิตเราทุกโลกก็ดูทุกจริงจิตเราสร้างมันขึ้นมา โ, โลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหล ะ, ะนี่ข้างหน้าเขายกมืออยู่กลับ ม, มาสกการพระอาจารย์ค่ะจากสำนัก ง, งานสาธารณสิขจังหวัดชลบุรีนะคะก็อยากจะเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างสมมติว่าเราทำงานเนี่ยเรามีสมาธิในการทางานแล้วงานเราสำเร็จ นั่นนั่นคือสติเกิดหรือเปล่าคะมีสตินะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานนสติปัฏฐานต้องรู้กายรู้ใจราะฉะนั้นมีสติธรรมดาสมาธิอันนั้นก็เป็นสมาธิธรรมดาไม่ใช่สัมมาสมาธิความจดจ่ออยู่กับงานเพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนนะส่วนที่อยู่กับโลกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิอย่างที่ของคุณเป็นนั่นแหละแต่ถ้าจะทำํำนิพพสนานั้นก็ต้องมีสติอีกชนิดหนึ่ง ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกไหมนะแล้วสมาธิก็มีสองอันนะสมาธิอันหนึ่งเนี้ยจิตไหลไปจดจอ่อสมาธิอีชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดนะูเหมือนอย่างคนดูฟุตบอลนั่งอยู่บนอัธจันทะร์เห็นนะักฟุตบอลวิ่งอยู่ข้างล่างจิตที่มีสา ม, มาสมาธิจะตั้งมั่นเหมือนคนดูฟุตบอลเห็นกีลาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ห่างๆเข้าอั<ล>าานาไห<ด>น้ได้นะดีละมาข้างหน้าข้างหน้า โมยเฉพ่ะหลัง้อขาไอการรู้อย่างเดียวเนเป็นยากมากเลยนะค่ะคุณพ่อใช่เพราะเราเคยชินที่จะปรุงค่ะเอเรารู้อย่างเดียวไม่ได้เพราะใจเราชอบปรุงเพราะงั้นให้เรารู้ทันว่าใจเราปรุงไม่ต้องพยายามจะรู้อย่างเดียวใจเราปรุงแต่งให้รู้ทันว่ามันปรุงแต่งอย่าไปบังคับให้มันรู้อย่างเดียวนะเพราะบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาคือขณะที่เรารู้ว่าเราโกรธคนเนี่ยเรารู้เราโกรธเรารู้อยู่แล้ว แล้วเราก็รู้แค่อยากจะไปทําร้ายเขาเนี่ยเราก็รู้อีกแล้วอะใช่รู้อย่างเดียวน่ารู้ไปได้ดูซิอินังนี่จะบ้าแค่ไหนดูอย่างนี้ไปแต่เราก็รอจนกระทั่งมันดับไปเองนะไม่ต้องรอให้มันดับนะตามดูไปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้สึกไหมมันไม่ได้คงที่เนี่ยอย่างดีกรีของความเกิดก็ไม่คงที่ดูออกไหมฮะแล้วรักษาที่หลวงพ่อบอกว่าดูจิตเนี่ยท่านในความคิดว่าคือความรู้ดูรู้ความรู้สึกของเราใช่ไหมจ้ะแค่เบื้องต้นเนะให้รู้ความรู้สึกไปก็พอละ เราดูไม่ถึงจิตที่แท้จริงหรอกถ้าเราจงใจจะไปดูจิตเนยะจะกลายเป็นการเครื่องจิตงั้นเบื้องต้นนะรู้ความรู้สึกไปได้ได้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปก็รู้นะหัดรู้อย่างนี้ได้ได้เนี่ยมันเป็นเองอะ่ะยังไม่หมดเวลาอีกหรือเนี่ยหลวพ่อครับเวลาที่ทําในรูปแบบวะนะคะ แล้วสมมุติเรารู้ลงาหมใจเนี่ยแล้วพอเรารู้หรือว่าเราไปเพ่งแล้วอึดอัดเนไปรู้ทั้งตัวเลยกับแค่อึดอัดอย่างเี้ยอันไหนไม่อึดอัดก็เาันนั้นแหละเออันนั้นเราทําให้หลวงพ่อดูได้มไหมรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวหรือว่าเพ่งทั้งตัวพครับเออว่าเออเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนไปปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลกครับเขาจะให้เน้นดูสติสามวันแล้วก็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 งงนะเดี๋ยวไปฟังซีดีของพ่อเพิ่มนะคนไหนเคยเรียนกนรรมฐานมาแล้วจะเรียนยากนิดหนึ่ ง, งของเก่ามาตีกันับในนามของท่านผู้ว่าการาจังหวัดแล้วก็เป็นรุ่นน้องของท่านนะฮะที่คณะด้วยหลวงพ่อเรียกว่ารุ่นพี่ <laughs> รุ่นยี่ส mm ิบเจ็ดก็ต้องขอจับขอบพระคุณท่านไปอย่างมากที่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 ในชี่อประจำวันตลอดไปครับมีปวดน้ำด้วยอตั้งใจนะไหนๆก็ฟังทมแล้วตั้งใจให้สงบอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายนะยัตถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาขารังเอวเมวัยโตดินังเฟตานังอุปกัปรปฏิ